เทศอบรมพระวันที่18พฤศจิกายน2521นี่เข้มข้นดีมากเทศการสแสวงหาครูอาจารย์หนูแทะกระเบื้องมุงว่าพวกเทวทัตเทศเรื่องรักสงวนหมู่เพื่อนจึงไม่ให้พระไปในงานนิมนต์ฉันในที่ต่างๆอันเป็นการสั่งสมกิเลสไปในตัวสมบัติต่างๆ ตนเสกสรรขึ้นมาแล้วก็ติดและมัดคอตัวเองได้ท่าหลงมันทำความเพียรในท่าต่างๆแต่จิตทะเลถลายไปทำงานให้กิเลสแล้วมันจะเป็นผลเลิศเลอดได้อย่างไรถ้านิพานพาคนให้ล่มจมใครอยากสำเร็จพระอระหรันเพื่อไปนิพานเล่าและจะว่าจิตบริสุทธ และประมังสุขังได้อย่างไรนี่ให้พระอัดเฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้นท่านท่านนี่จะถาดัาดงฝันเพราะผมเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วความเป็นผู้น้อยมาก็แสดงว่าเคยผ่านเรื่องความเป็นผู้น้อยเรื่องต่าง เป็นของตนภายใ น, ยในใจิตใจมาแล้วที่จะสอะเสาะหาครูหาอาจารย์ไปคุณไหนไม่สนิทใจเราก็ไม่อยู่ไปที่ไหนไม่สนิทใจเราก็ไม่อยู่ครูอาจารย์ท่านควดีแต่ไม่สนิทใจก็ต้องหาหอุบายออกไปจากท่านไปโดยท่านก็ไม่รู้ว่าเราไม่สนิทใจ กับครูบาอาจารย์องนั้นนั้นมเข้าใจว่าลาไปเที่ยวธรรมดานี่คือความหิวกระหายต่อครูต่ออาจารย์ผู้ให้คููบาในนลำตักสอนโดยความถูกต้องเป็นที่สนุกใจของผู้ใฝ่ศึกษาอบรมกับท่นเราก็เป็นผู้หนึ่งในระยะนั้นซึน่งเป็นผู้มุ่งต่อการ ศึกษาอบรมอย่างยิ่งไม่ใช่ศึกษาอบรมธรรมนาเมุ่งอย่างยิ่งเลยคุณง่ายๆครัว่ามุ่งพระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นในการออกป ฏ, ฏิบัติตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกออเราไม่ได้มุ่งอะไรทั้งหมดมุ่งความเป็นผู้ชิ้นกิเลสโดยถ่ายเดียวเพราะฉนั้นจึงต้องสอบเสาะหาครูอาจารย์ที่เหมาะกับจดิตเป็นที่แน่ใจในการให้อุบายสั่งสอนต่างๆ ว่าไม่ผิดทางไม่เป็นที่สงสัยลำดับเราพบผู้ปรับการอบรมกับท่านฉะนั้นจึงต้องไปหาอาจารย์องค์นั้นไปหาอาจารย์องค์ฟังท่านพูดท่านให้อุบายาสอนทางตาก็ดูทางหูก็ฟังทางใจก็คิดอยังไม่สนิทใจไม่เป็นที่แน่ใจก็ต้องหาอุบาย ลาท่านออกไปเพื่อสอดเสนอหาอุบาจาร์อื่ น, อ, น, อ, นอีกต่อไปแต่ให้ท่านสรมบเมโมท่านในการมาันมันไปเป็นที่สนิทใจเต็มที่เรียกว่าหาไม่ได้อีกแล้วจิตใจลงเต็มที่พ อ, อไปถึงที่แรกในคืนวันนั้นท่านแสดงธรรมนั่ต อ, อย่างถึงใจ มุกก็เป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดความมั่นใจขึ้นมาดังนั้นตาก็ดูหูก็ฟังใจก็คิด ก, การแสดงออกของท่านไม่ผิดจากหลักธรรมหลักพิณายไม่มีสินใดที่จะคือเพื่อแสงแสงปากปา้นโ้นในการแสดงออกและการ ป, รปฏิบัติของท่านเลยนี่มีเป็นที่สนิทใจ การแสดงธรรมะผมไม่เคยได้ยินท่านแสดงว่าเห็นจะเป็นหนึ่งนั้นหน้าหรือเป็นหนึ่งนี้ไม่เคยมีแสดงออกด้วยความแน่ใจทุกอย่างไม่ว่าธรรมะขั้นใดเราจรึงได้โปร่งปิดโปร่งใจเป็นที่ยว อ, อุ่นจริงๆอยู่กับท่าน แ, นแตน้มันแม้ตนจะไม่มีสมบัติอันไดก็ตามเมื่อเข้าไปพึ่งร่มเงาของมหาเศรษฐีแห่งธรรมแล้วเราก็คล้อยมีความร่มเย็นเป็นสุขไปด้วย ความเป็นผู้น้อยเป็นอย่างนี้เราออกจากท่านไปเราพปฏิบัติตามการอันควรแทนที่จะเป็นไปเพร่อความสงบมย็นโดยลาพังเราที่ปฏิบัติคนเพียงคนเดียวซึ่งไม่มีหน้าที่การงานอะไรเขาไปยุ่งเหยิงวุ่นวายเลยแต่จิตใจมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าอ ย, อยู่ขั้นดูระนานๆมันเลยปรากฏเหมือนกับไม่มีความหมายอะไรในตัวของเราเอง ก็เหมือนกับเวลาอยู่กับท่านซึ่งได้ดื่มทำเพราะอาศัยรัชหมีทำเมตตาของท่านมันก็มีความออาล่มงเกินออกไปโดยลําทางตนเองเพราะในอนั้นยังไม่มีหลักใจด้วยอย่างนี้เวลนะเอาออกไปโดยลํำพางตนเองนันจึงไม่ได้หลักได้เกียรอยู่อพันนามันก็จะส่วนไปเรื่อยๆดูพิจารณากําหนดภอวนาหนึ่งนังน ก, ก็ไม่ได้นานในหลังวกไปเย็นมาไม่ได้ เรต้องกลับเข้าไปหาทั้งอยู <c> ่ <oughs> คือเราสังเกตเราอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามเราได้ตั้งคําสัตรรย์ไว้แล้วว่านี่แหละคือครูอาจารย์ของเราแท้หากว่าท่านังมีชีวิตอดุกล่าบใดเราจะไม่หนีจากท่านกล่าบนั้นจนกว่าว่าชีวิตท่านหาไม่หรือว่าชีวิตเราหาไม่เว้นเฉพาะการเวลาที่ประกอบความท่าเทียนตามการตามสมัย ในบางโ อ, อ ก, กาสแต่เราถือสถานที่อยู่ของท่านหรือท่านอยู่ใ น, นสถานที่ใดเราถือที่นั่นเป็นเหมือนบ้านของเรางั้จะไปทําการทํางานที่ไหนเราก็ถือนั้นเป็นบ้านเป็นหลักเป็นฐาน ต, ต้องกลับมาบ้านนั้นที่เรียก ว, ว่าเป็นบ้านของเรามาอยู่กับท่านถึงจิตใจจะไม่เป็นปไปมันก็มีความอบอุ่นความเย็นสบายที่เล็ดตันหาราคะ ต้า ง, างก็ไม่ก่อมงไม่แสดองออกมาผมจิตก็ยังไม่ไหลักไม่เกี่ยครันกยังมีท่านเป็นหลักเป็นแม่เหล็กเรื่องดึดูดให้เราได้รับความเมืองเดียันนกระทั่งจิตมีหลักมีฐานขึ้นทางทานสมาธิจึนเกี่ยวข้องไปถึงด้านปัญญาด้วยอยู่เลยจิตมีความลเอียดเข้ า, ท, าทัาเพียงไร ยิ่งเห็นความจําเป็นของครูขหงอาจารย์มากขึ้นเท่านั้น่อ้จะเราจะแน่ใจว่าจิตนี้ไม่เสือ่อมก็ตามแต่เพื่อทําขั้นสูงนั่นจะต้องได้รับการอบรมแนะนําไปเป็นระยะระยะตามที่เรามีข้อข้องใจเรจะต้องเรียนกล่าวเรียนถามท่านหรือไม่ข้องใจทัานก็ต้องแสดงคำม่ะ เป็ น, นำลำดับธรรดาจนกระทั่งถึงธรรมอันสูงสุดทุกๆ ก, การที่ท่านเทศออกหลวงพระไม่เคยจะตกค้างอยู่ในที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมเลยใจของเรา เ, าเป็นแบบแต่ยิ่งมีความดูดดื่มในการได้ยินได้ฟังเขายิ่งกว่าแต่ก่อนมากจมกระทั่งท่านหลื่นรับไปแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นภายในใจ การที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังจริงไม่จําเป็นจะต้องเล่าที่มีอีกเยอะเวลาการพูดทั้งนี้เพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่หมู่เพื่อนที่มาอบรมศึกษาให้ทราบว่าเราที่หมู่เพื่อนมาเจ็ดสันว่าเป็นครูเป็นพระนี่ได้เคยเป็นผู้น้อยมาแล้วความบกพร่องแห่งความเป็นผู้น้อยซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้นั้นเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างเป็นสาเหตุ ที่จะทําให้เจ้าของไม่แน่ใจอยู่เสมอเราก็ทราบได้อย่างชัดเจนต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเสมอการเชื่อครูเชื่ออาจารย์ซึ่งเป็นที่เราแน่ใจแล้วจงเป็นพลังสําคัญที่จะพะยุงจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยความราบรื่นสม่ำเสมอผลดดเด็นเมื่อคิดถึงเรื่องของตัว ทั้งที่มีอะไรนี่ผมโอ้โฮโอเควัดท่านมาทำลายเต็ะหลันกองเ ท, งทวท่านเมื่อเราได้เป็นครูเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนเราก็ บทคิดมาได้ในเรื่องของเราที่เคยเป็นผู้น้อยมามีความจําเป็นกับครูบาอาจารย์อย่างไรบ้างอันนี้เองที่เป็นเหตุให้มีความห่วงใยครับเพื่อนทังน้งหลายที่มาอาศัยผมจึงต้องได้อบรมสัสอนเสมอผิดถูกดีชั่วประการใดผมไม่เคยปิดบังนี้ละแม้จะเป็นที่ยาแสดงออกภายนอกผิดตรงไหนก็ต้องบอกตรงนั้น ผิดตรงไหนบอกตรงนั้นเพราะเห็นอะไรเพราะให้หมู่เพื่อนได้สติสตังให้รู้ว่าสิ่ง น, นั้นผิดและไม่ปฏิไม่ทําต่อไปในการทางนานหากไม่บอกก็จะผิดไปเรื่อยๆความผิดไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นของดีนะก็ทวีพึงแรงขึ้นไปการความเป็นห่วงหมู่เพื่อนจึงทําให้ มีการดุดาาว่ากล่าวหรืออบรมปัสอนอยู่เสมอเพื่อให้เป็นเครื่องยึดภายในจิตใจหรือเพิ่มพลังทางด้านจิตใจมากขึ้นคือในหมู่เพื่อนมีความหงใยตัวเองอย่างไรบ้างหรือไม่ขนาดไหนหรือผมเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนหนึ่งอาจจะไม่คิดว่าผมทั้งหลายอาจจะไม่คิดว่าผมมีความหวงอยหมู่เพื่อนอะไร่มมจจะ ถือวเป็นผรูเป็นอาจารย์ก็อยู่สะดวกสบายและจะผู้ใดจะปฏิบัติงานถึงเวลาเวลาก็มาอบรมสั่งสอนนั้นผมไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับผมเองเป็นอยู่ภายในจิตใจโดยหลักธรรมชาติไม่แค่เต็มด้วยความโศกสังในเรื่องการห่วงใยหมู่เพื่อนสงสารหมู่เพื่อนก็เพื่อจะหมู่เพื่อนเลยมีกําลังทางด้านจิตใจอันเป็นทางปลอดภัยจากที่เหลือทั้งหลายโดยลำดั เพราะกิเลสนี้ถือไม่ว่าประเภทใดถือว่าเป็นค่าสิบต่อจิตใจยอย่างยิ่งนี่เราเป็นหน้าบวชได้ฉละมาแล้วจากบ้านจากเรือนจากภาคต่างๆประเทศต่างๆมุ่งหน้ามาสู่สถานที่นี้ผมก็เข้าใจแล้วว่ามุ่งหน้ามาเพื่อผมคือเพื่อการอบรมกับผมเหล่านี้ผมคิดหมดผมเป็นหหน้าจะไม่คิดได้อย่างไรด้วยเหตุ น, นี้จึงต้องได้ระมัดระวัง สิ่ที่จะมาเกี่ยวข้องให้เกิดความวุ่นวายในหน้าที่การงานของสมณะเราได้จากการมันปมเป็นสมณะธรรมเดินจงกลมนั่งสมาธิภาวนาใครมาเกี่ยวข้องหรือใครจะไปเที่ยวในร่อนตามวัดตามว่าผิดหรือล่ำเวลานผมเป็นคนห้ามตัวเองไม่ให้ไปนี่ก็เพราะรักษาเพื่อนฝูงให้ได้รับความสะดวกสบาย <c oughs> นอกจากคุณา ถ้ากำลังจังหันอยู่นี้เราเคยได้แนะและเคยได้บอกเขาให้สราบไว้แล้วกับตอนบ่ายสี่โมงเวลาท่านปัะกาดขนน้ำถ่านมันเ้นตัต้นจสให้ยหนงนอกเวลานี้แล้วไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องนอกจะมีรายจำเป็นจริงๆที่เราจะต้องพาไปดูเพราะเป็นผู้สำคัญซึ่ควรจะได้เป็นคติตัวเองและเป็นประโยชน์แก่ส่วนร ว, วมกว้างขวาง ม, มากมายอย่างนี้เราก็อาจพาไปเองถ้าเป็นคนประเภทนะั้น หรือให้ผู้หนึ่งผู้ใดนําไปนอกนั้นเราเอาอกมากให้เข้าไปยุ่งเลยนี่ก็เพราะความเปห่วงเพื่อนฝูงให้ได้รับความสะดวกสบายผมเคยเป็นผู้น้อยจิตใจอยู่กับครู้วาอาจารย์จะทําอะไรจะไปไหนมาไหนความกลัวกลัวท่านมากกลัวท่านอาจารย์มากกลัวมากเรื่องใสามากเข้าโรคมากเรื่องกลัวต้องกลัว มีความเคารพมากรักท่านมากตื่นสาทุกอย่างรวมกันนี้หมดการไปมาที่ไหนก็ดีผมต้องได้พิมพดกวดขันเขามานิมนนะต์ไปฉันที่นั่นที่นี่ผมก็ไม่ครับแต่พระในวัด น, นี้ได้อยู่สบายทุกทุกอง นอกจากเป็นความจำเป็นเป็นบางการบางสมัยนั้นมันมีได้ในโลกอย่นี้เราก็อารมณ์ผ่อนผันไปเคียตามการที่เห็นว่าจำเป็นธรรมดาทั่ท ว, วไปนี่เราก็ไม่เข้ามายุ่งเราเป็นคนพูดเองเรารักษาพระเองคนอื่นพูดอาจเกินใจเขาเราไม่เกินใจผู้ใด ย, ยิ่งกว่าเกินใจธรรมคือเกินธรรมเนะ เพืนว่าหมู่เพื่อนจะเกิดความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการขบที่นั่นทั้นที่นี่ยุ่งไปหมดเพราะไปแต่และครั้งอย่างน้อยสามชั่วโมงถึงจะได้กลับมาถึงวัด<ม>ผมเนี่ยเคยตั้งนาฬิกาดูเวลาแล้ว<ม>บางงานบางสถานที่ถสามชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงก็อย่างนี้ก็จะกลับมาถึงวัดหากไปทุกวันทุกวัน โดยที่เราอังรมผลพันธุ์หรือตามเรื่องจำราวเหมือนอย่างวัดทั้งหลายแล้วถ้านเน้นวัดนี้จะไม่ได้ทาวนากันเลยจะมีแต่เรื่องโครงกลิ่นเท่านั้นผมเป็นการสั่งสมกิเหลืขึ้นโดยลำดับหนึ่งถอดปัจจัยทาทานที่ได้มาก็เลยจะเกิดกิเหลืออะไรได้มาจะเกิดกิเหลืเจ้จาของเวลาไปมันก็เกิดกิเหลือแต่ก็ทบกระเทือนดูเสียงปิ่นลดตายต่ออะไ ร, ไรมันก็เกิดเพร า, าจะมันคอยจะกำเนดิดอยู่แล้วจิจึงต้องน้ำมัดระวงังรักษาคงคิดหลายด้านหลายทาง เดียวก็หมู่เพื่อนเพราะห่วงสงสารหมูเหม่เพื่อนงั้นหมู่เพื่อนจึงควรมองดูตัวเองสงสารตัวเองมากกว่าสงสารผู้อื่นใดก่อนอื่นดังพระโพธิจ่าทรงสงสารโลกทั้งหลายจึงต้องยอมเสียสละในสิ่งที่มีค่าทั้งหลายตามโลกนิยมในความเป็นกษัตริย์ก็สรงสละคำว่าความเป็นกษัตริย์ คิดดูิเป็นตำแหน่งที่น่ารักน่าสมวนขนาดไหนไปฟ้าประชาชนบริษัทปบริวารพระยาศพระวงศ์พระราชโอรสพระชายาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับชาไทยของพระพุทธเจ้าแต่เพื่องจำท่องเสียสลับเพราะความห่วงโลกห่วงพระองค์เอ ง, งจอาเดชเดออกไปจงถนน รับความลำบากลําบนไม่ห่วงใ ย, ยกับใครเลยแต <Yeah. S 1> ่มีใครปรา บ, บไม่ปรากฏว่ามีใครได้ตามอุปถัมภะถาพระศิทษฐาราชาพกุ ม, มารในขณะบวชเป็นฤาษีดาบวอยู่ในป่าเพื่อความเป็นประพุทธเจ้ามันมีผู้หนึ่งผู้ใดเลยขนาดพระเจ้าแผ่นดินสละทิฏฐิมานะลงเป็นคนขอทานนั้น จะไม่ยากไม่ลําบากได้อย่างไรต้องลำลำบากแสนลําบากทีเดียวนี่เป็นคติตัวอย่างสําหรับพวกเราทั้งหลายหลพระองค์ไม่เกี่ยวข้องกับพระญาติพระวงศ์ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดทั้งหมดในระยะหกปีที่ทรงบําเพ็ญนั้นเป็นไม่มีใครทราบทางใต้าทางเหนือว่าพระองค์เป็นหรือตายเป็นยังไงอะไนี่จนทั้งในตลาดจะรู้แล้วทั้งในศาลเมื่อออกประกาศพระศาสนา นี่แหละทางดาเนินของพระพุทธเจ้าไม่ทรงห่วงหน้าห่วงหลังห่วงโน้นห่วงนี้ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายทำลายจิตใจตัวเองให้เสียผิดจากหลักของผู้บำเพ็ญเพื่อความบุญพ้นจากทุกข์การชะงวนการปลกครองตนเองการชะงนตนเองการรักตนนี่เป็นสิ่งสำคัญจึงต้องดมัดมระวงังรักษาและปฏิบั ต, รตริตนเองให้ถูกต้อง แน่นย้ำอยู่เสมออย่าให้ผิดพลาดจะไปคิดห่วงใยผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามให้มากยิ่งกว่าความห่วงใยทนเองในเวลาที่ควรห่วงใยคือเวลาที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ไม่อยากให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องให้ยุ่งเหยิงมุบไปอันเป็นการทำลายจิตใจเพราะเวลาทำงานคือสมณธรรมเป็นงานสำคัญมากยิ่งกว่างานอื่นใด ไม่มีงานอันใดที่จะหนักแน่นมั่นคงหรือมีผลมากยิ่งกว่างานสมารถทคือการเดินเป็นป ม, น, มนั่งสมาธิและการห่วงใยตนเองการรักษาตนโดยความมีสติสตางค์ไม่ปิดให้พลาดนนี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพระเราแต่ละองค์ล่องค์อย่าคิดเรื่องโลกเรืองสารเรื่องผู้ใดก็าตามทำตัวเห้ตัวให้ มีความแน่นหนามั่นคงภายใิจิตใจจนเป็นที่แน่ใจได้แล้วจะสั่งสอนใครทั้งโลกนี้ท้ามีความสามารถก็สอนเถอะเราไม่ว่าเวลานี้จะสอนตนเองก็ยังไม่ได้จึงไม่อยากให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามให้เป็นการเสียทางด้านสมณธรรมนอกจากนั้นยังเสียตัวไปด้วยคนทั้งคนเสียไปเพราะสิ่งไม่จําเป็นอะไรมากนะไม่ควรเสียไม่ควรทุ่มลงไปอย่างนั้น ผู้ปฏิบัติต้องคิดไม่คิดไม่ได้เสียได้จริงๆรินทันทลายมาศึกษากับผมเพื่อเห็นต้องการเหตุการณ์ผลอันเป็นหลักเป็นธรรมจรึงต้องได้เทศให้ฟังพูดทั้ฟังโดยเหตุ ด, ด้วยผลและโดยธรรมนี่คือทางถูกต้องทางยิ่งใหวุ่นวายไม่ใช่ทางถูก เป็นทางที่ให้เนิ่นอย่างอย่าง น, งน้อยให้เนิ่นช้าอย่างมากนั้นทำให้เสียตัวได้เพราะจิตใจมันมีความดูดซึมอยู่เสมอดูดนั้นซึมนี้อยู่ได้ด้วยแม้แต่ระมัดระวังอยู่มันยังซึมทราบกับสิ่งที่เป็นที่เป็นไปได้อย่างง่ายดายต่ว่าเราปล่อยมันมันบ้างหรือปล่อยมันเลยก็ยิ่งไปใหญ่ยาควรที่ ผิดใดจะเป็นสิดสำคัญยิ่งกว่าสมณะธรรมงานของพระก็เคยพูดให้ฟังแล้วมีงานอันใดที่เป็นงานของพระจริงๆตามหลักที่กระถาโคตรั่างสอนแล้วคืองานอะไรกเคยสอนแล้วคือกรรมฐานสักสี่สิบพ้องก็ตามอันใดก็แยกออกไปแง่ใดก็ตามั้วนแล้จะเป็นงานที่ สมณะเราคือผู้เป็นนักบวชจะพึงประพฤติปฏิบัติต่องานนั้นๆหรือทํางานนั้นให้สําเร็จลุร่วงไปได้ด้วยความราบพื่นดีงามจนกระทั่งถึงจบสิ้นงานที่ทํานั้นด้วยบวทธันมท่านว่าบุษิตังประมัจเจียร์อย่างตั้งหน้าต่างตาทำอย่าไปคิดกับสิ่งอื่นใดให้เสียวเวลาโลกมันก็เป็นเท่าโลกที่เป็นอย่างนี้แหละ มันเคยเป็นมาหนี้ตั้งกับตั้งกันจนไม่ทราบว่าเงื่อนต้นมันอยู่ที่ไหนเงื่อนกลายอยู่ที่ไหนเรื่องความวุ่นวายหมุนเวียนของโลกของสารนี้อันใดเป็นของอัศจรรย์ในโลกนี้มันมีแต่ดินน้ํำลงไปเท่านั้นแม้แต่คนทั้งคนนทั่วโลกนี้มันก็คือก้อนแห่าตุที่ผสมกันเป็นก้อนๆ น, นั่นเองมี้น้ำขี้นฉัดเลย ครับสินเงินทองมีจำนวนเนท่านั้นเท่านี้เศษสันกันขึ้นมากระดาษก็เศษสันกันเป็นเงินท่ากันไปกันก็ไปติดเพียงกระดาษคนติดจะไม่ว่าโง่ไงนมนุษย์ดอกอืสมมติว่าเป็นเงินแท้ๆอย่าง น, นี้มันก็เป็นแร่าธนนราตุอันหนึ่งเท่า น, นั้นแล้วเศษสันว่ามันเป็นเงินเป็นทองคําเป็นแก้วเป็เพชรเป็นพลอยมันมีราคาราคานั้นเราไปว่าเอาต่างหามันเป็นแร่ธาตุอันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นตามความจิงของมันก็เสมอการไปหมด เมื่อยกขึ้นมาแล้วก็มามัดคอเจ้าของเงี่ยเขาพิจารณาดูทางน้ำดีนักปฏิบัติพิจารณาให้ละเอียดเราเอาเข้าสิ่งไห น, นแต่มันจะได้ไม่หลงไม่เพลิดไม่เพลิน ไ, ไม่ดูเนื้อดูตัวเพราะนั้น ม, มีสาระอะไรแหละพังจะว่าอนิจจังทุกขังนัสตา ม, มันครอบหมดในโลกสมมุตินี้ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่หรือจะดูเนื้ออนิจจังทุกขังนาัสตาได้เลย เมื่อนีจังทุขังหน้าตามมันครอบอยู่แล้วอันใดจะเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีพิจารณาให้จริงจังไปสาระอันสำคัญก็ได้จะเกิดกับคำเพียงนี่คืองานสำคัญงานที่มีคุณค่างานที่มีเกียรติสุดสำหรับสมณะงานที่จะยังผลให้เกิดเป็นที่พึงพอใจ โดยลำดับจนกระทั่งถึงพึงพอใจอย่างยิ่งก็คืองานอันนี้เกิดขึ้นจากงานของสมณธรรมพิจารณาขึ้นอีกยิสาลุมานาคาทัานตาตัจโจรเป็นต้นดูให้ละเอียดละออมันดูกับตัวทําไมไม่ไม่อยู่ทำไมเรียนไม่รู้ของอยู่กับตัวแท้แท้ที่อื่นกายกันกายข้ามเขาอยก่บนปลายเรียนแต่อยู่กับตัวนี้ทำย ไ, ไม่เรียนดูให้ดีฮะ เกษาโลมานักขานตาตะโจข้อยัางยิ่งตะโจหนังห่มอยู่เท่านั้นเองหลงหนังหลงหนังท่านอจมั่นคงวาแต่ท้องพูดภาษาบาลีสามาหลงหนังหลงหนังก็หลงหนังนั่นแหละท่านวางหลงหนังลงหนังหลงหนังหลงหนังมาคือหลงอะไรถ้าหลงหนังแล้วเขาจะหลงมันมีหญิงมีชายที่ไหนหาคุณค่าที่ไหนคนแต่คืออะ่ร พวกเดียวกันกบแต่พืนตื่นกันกลัวกนนันเป็นเป็นเป็เป็นพีไปมันถูกต้องที่พูดเราให้จริงให้จังเรายย่าไปหลงแงเล่นเรื่องของจิตเดชประเภทต่างๆที่มันฝังอยู่ภายในใจนี่แล้วถักดันออกมาหลอกเจ้ของเป็นภาพแห่งความคิดนึกต่างๆหมาย จากสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดนึกต่างๆว่าเป็นอย่างนั้นเป็นนี้จิตมันถูกกับเรื่องอันนี้หลรอกกันทั้งบันทั้งคืนจนกระทั่งแม้เดินยังกรมนั่งส ม, มงงาธิภาวนาก็สักแต่ว่าเดินสักแต่วันหน้าแต่จิตไม่ได้ทํางานตามหน้าที่ของตนไปทํางานกับสิ่งหนุนี้แค่หมดแล้วมันจะมีกําลังจิตใ จ, กจเกิดความสงบเรื่องเย็นมาจากไหยเมื่อไม่ไทํางานของตนงานของกิเลสมาทําให้มันได้จนแย่ตัวเองยังไม่อยู่ S <S <an> เดินจังกรมันเดินจริงเท้าเดินไปแท็กิตไปทํางานให้กิจเลยโดยไม่รู้สึกตัวคิดลงกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อารมณ์อดีตอนาคตปัจจุบันที่เกิดขึ้นก็หลงอยู่ฮะมันไม่มีที่รู้มีแต่ที่หลงขณะได้ก็มีแต่ขณะหลงแล้วจะเอาความรู้วความเข้มจะย้ายสลาดมาจากไหนทำให้เข้าเข้มแข็งจริงจริงงานนี้จะเป็นไปไม่ได้เพราะงานนี้เป็นงานของคนพูดกิน ของคนพูดเด็ดเตียวของคนู้เอากินเอาจังพระพุทธเจ้าเป็นผู้กินที่สุดในโลกก็มีใผ่เสมอสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นเพราะท่านเอากินออกจังเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็มีไม่น้อยที่เสด็จออกมาบวชเป็นสาวกของบบพระพุทธเจ้าเราเป็นอรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นถินดุ้งกับอะไรถินเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่มีญาติมีวงมีพ่อมีแม่ด้วยกันทั้งนั้นแต่เราออกมาแล้วท่านเล่งประกอบความภาคเพียร เต็มเม็ดเต็มหน่วยจนเป็นที่พอจะําเร็จเป็นพระฐานขึ้นมาจะสั่งสอนใครมากน้อยอันนั้นตามปัญญาสายที่นี้ไม่มีเรื่องทําลายจิจยยตใจได้กลายเป็นอัจฉิยาศัยรุน่นรุ่นหรือเป็นนิสยัยรุ่นรุ่นจะสั่งสอนคนมากน้อยก็ตามปัญาศัยไม่สมั่งสอนอยู่สบายสบาอยากก็อนุญาตคนดังนีน้นั่นก็น่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตํกำหนดเิียงเลย ผู้ที่มีบริษัทบริวารมากจนพภาษาบุตรัระโมกขนาพระอง์ก็มเฉยผู้ไม่เกี่ยวข้องกับลายเสื่อมพระ ญ, ญาคนานั้นไปอยู่กับอะไรสัตว์สัตวันเลยสิบเอ็ดปีพระยาช้างหัวหน้าขงในดงอันนั้นมาอุปถัมบทฐานพระนาคนหพญากทั้งเลซิจงกระทั่งสิบเอ็ปีที่ได้มาทุนลาเข้าสู่นิพพาน พระัญญากวัญญาเป็นพระมหาเทระราตัตนบุตเป็นผู้รู้ราตรีนานกว่าใครทั้งหมดการรู้อัดพูดทำของพระเจ้าก็เป็นปฐมมสาโลกทองก็ชมเชยว่าดีไม่ทรงตำหนิจีเทียนไม่มีใครจะไปอยู่กับช้างได้อย่างนั้นอัน่งพัญญาคนรัญญาเธอดีเธอสะดวกว่าไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนอย่างเรานี่วะนี่หว่าเนี่ยเรื่องนี้มันยุ่งมากแต่ตายไป ทำอยูสบามาเมื่อถึงการมาลาแล้วเออตามแต่การอันควรเกิดอันมานี่ทุ่มเทไปหมดถ้าพ้นทิเหลืแล้วไม่ไม่ทราบจะตำหนิอะไรคือหมดขอบเขตคือเลยเขตของสมมุติไปแล้วไม่มีทางที่จะตำหนิคิดดวงนั้นพ้นแล้วพ้นจากโลกสมมุนิยมซึ่งอยู่ในความตําหนิปิชมแล้วพ้นไปแล้วความปิชมาจึงไม่มีความหมายอันหนาะ แล้คนพระหนาพระพุทธเจ้ายังจะไปคว้าเอาความตนิตชมมาต่ำหนิติชมสาวกอยู่หรอมาต่มหนิติเตียนสาวบกได้เลยไม่ตหนิผมพ้นโทษหมดแล้วท่านทำงานขอให้ยึดหลักสังขังสันนังขาฉานีอย่าลืมว่าท่านปฏิบัติดาเนินอย่างไรนี้จะยึดท่านเป็นหลักเป็นสารณะที่เพิ่งฝกักเป็นฝักตายในปิตเป็นประจำ ฝางจิตอยู่เป็นประจำวัตาลการที่จะยึดเอาคติมาจากท่านมาเป็นเครื่องดําเนินของตนเองก็ได้ทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระสงฆ์สาวไม่ได้ได้แบบท่านร้อยเปอร์เซ็นก็ให้ได้แบบสิทมีครูแบบลูกศิษย์ปถากรเราจะเห็นผลนิ่ความสาคัญขึ้นติดใจของเรางานของเราจะได้สําเร็จไปได้เอาไว้ที่หน้าที่ของผู้ใดงงานเพื่อถอดถอนยิ่งเลยเป็นงานเพื่อความพ้นทุกข์ ทำไมจะไม่วิเศษงานเพื่อจมในกล่องทุกงานเต็มไปด้วยความกังวลวุ่นวายกระทบกระเทือนทั่วโลกโภคสงสารโลก ย, ยังยินดีทํากันมีงานเพื่อความพมลุกพล่าไมเราจะไม่ยินดีเราสลักออกมาแล้วจากสกุลต่างๆจากพ่อจากแม่พ่อก็เป็นที่รักแน่เป็นที่รักเราก็สละออกมาจากวงสงสาอย่างนี้เป็นที่รั ก, ก, กอะไรเป็นที่รั ก, รรกสละออกมาเพื่อทําตรงนี้จง ด, ดําเนินตามความมุ่งหมาย ความมุ่งมั่นของตนอย่าให้ก้าเคลื่อนให้เป็นเข็มทิษทางเดินอันดีเห็นทำปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์อยู่ที่ไหนอ ย, ย่าเผลอสติให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอจนกลายเป็นสัมปะชัญญะขึ้นมาความสติเรียกกับความรู้ควรู้ถากําหนดให้สืบต่อเนื่องกันไปจะสัมปะชัญญะความไม่เผลอเลยไปไหนเลยโดยหลักธรรมชาติของสตินั้น สตินั่นเรียกว่ามหาสติปัญญาก่าเป็นพักๆคิดตามกำลังของตนคนให้คิดพิจารณาดูเรื่องา่าตุสำขันเรื่องความเป็นความตายความแตกความเสีายในโลกอนนี้มันเป็นกองปาชา้าผีดิบด้วยกันทั้งนั้นเราดูให้ดีนั่นเป็นความจริงอยู่ที่ไหนกับกองป่าชา้าป่าช้าเคลื่อนที่ได้แก่อะไรแก่แก่ปก่พวกบุคคล น, นั่นเองมีเรือปาช้าเคลื่อนที่คื อ, อยังมีความรู้สึก ครองครองธาตุขันอยู่ไปมาแต่เราเรียกว่าคนว่าหญิงว่าชายว่าอะไรห็นน้ามันถึงความกินของมันเป็นการท่า น, นขึ้นไปการพิจารณาร่างกายให้เห็นความปฏิพูนโศกโภคให้เห็นความเบื่อนหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดยินดีคลายความมีสาระต้องนารอันเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจตนต้องพิจารณาอย่างนั้นตามหลักความกินให้มันเข้าใจว่ามันเป็นป่าช้าเคลื่อนถี่า พอหมดลมหายใจแล้วมันกระลงกับที่อยู่ที่ไหนก็เป็นป่าย้าที่นั่นขาดลมหายใจที่ไหนก็เป็นป่าย้าที่นั่นมันตายที่นั่นโลกมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนไหนไม่มีคนที่จะรับความถุกความไปเดินเพราะความหุ่นวายกันเต็มโลกเต็มสานั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะได้หยิบยกเอาความถุกขึ้นมาอวดโลกซึ่งเป็นความวุ่นวายด้วยกันเพราะหน้าที่การงานมันเหมือนกันเรายังไม่เคยเห็ว่าผู้ใด ในบรรดาทั่วโลกท่นดินเนี่ยอันนี้กี่ประเทศเอเอาความสุขความสบายขึ้นมาโชว์กันไม่เห็นมีฮะไม่ไั้องฐานะาสูงต่ำฮะความมั่งมีสีสุขความจนนะก็ตามความโง่ความฉลาดอันเต็มไปหมดในโลกนี้แต่สุดแล้วมันก็มาอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันหมดหมายว่าคนมั่งมีจะมีเงินสักกี่ล้านจนนับไม่ได้ก็ต่าง มันก็หาความสุขไม่ได้อถ้าถจิตใจไม่จะสร้างสาระคุณแก่ตนแล้วสิ่งเหล่นั้นก็ยังมีความหมายเพราเราสมมติไว้เราพึ่งมันเฉยเราจะเอามาันมาเป็นหน้าเป็นตามาเป็นยศถาบรรดาศักดิ์มาเป็นเกียรติยศอะไรได้เห้ยเศษกระดาษเป็นเงินก็สมมุติขึ้นเป็นกนระดาษกระดาษก็คือจากกระดาษนั่นเองกระดาษก็เป็นสมมุติอันนึ่งแล้วก็มาให้ชื่อว่าเป็นเงินอ่าเป็นเงินสดสด จริงๆเป็นเงินตราจริงๆมันก็ออกมาจากแรกธาตุกั น, นตอนนั้นมันก็อยู่ทางสภาพของมันกองไว้ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นไอนเราก็เป็นเรานีเอามาเป็นเกียรได้อย่างที่ น, นี้มาเป็นหน้าเป็นตาได้มันเซกเอาพึ่งไรเฉยพึ่งพายแบบบ้าๆอยู่หาความคุ้มไม่ได้นี่แหละโลกมันเป็นอย่างนี้มันตื่นลมนตื่นหน้ากันอย่างี่ทนะเราพิจารณาโดยธรรมะเราไม่ได้ตำหนิโลกนะ เราพี่นำมัาเทียบเน้นวิจิตทั้งเรามันจะเป็นอย่างนั้นให้แยกแยกออกเข้ามาให้รู้ตามความจริงของจริงนั้นๆแล้วจะไม่ได้กังวลวุ่นวายพราะมันเป็นเหมือนเหมือนกันกับที่เรานั่งอยู่ระนี้เนี่ยนี่แล้วจะเสกสันมันเป็นหอประสาทก็ได้นี่ที่เรานั่งนีู่แต่เสกสรรอะไรมันได้มันอยู่กับความเสกสรรทุกคนเนี่ยมันอยู่ให้เป็นมนุษย์เราชอบโดดนั้นโดดนี้เสกนั้นตั้นนี้ถ้าเสกแล้วก็จะของมันก็มาไหมจะของอะเนไรมันไม่ผู้ใด เพระปาดออกให้หมดสิ่งอันนี้เป็นเครื่องกังวลเป็นภัยต่อจิตใจทั้งนั้นไปติดในสิ่งใดรักในสิ่งชอบในสิ่งใดมันเป็นภัยต่อจิตใจสําหรับนักบวชเราแล้ ว, ล ว, ลวมีหน้าที่อันเดียวคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาซึ่งเป็นงานบริสุทธิ์อย่างยิ่งและเป็นงานที่มีคุณค่ามากสําหรับนัก บ, บวชผลก็จะเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐขึ้นโดยลําดแบบับเอาพยายาทําให้ได้เลย ย่าไปคิดกับสิ่งใดๆในโลกนี้ให้เสียเวล่มเวลาท่วงประโยชน์ทั้งตนที่พึงจะได้มีน้ําช้ำยังก่อความกังวลขึ้นเพราะความคิดเรื่องนั้นๆนมีก็เคยเป็นมาประจําปิจัยแล้วเราจะไม่เสร็จหลักเน้อมันเป็นอุปสรรคแค่ไหนต่อความเพีย่ยนของเราในเรื่องอารมณ์ล่า น, นี้นะถ้าพิจานามันต้องรู้ต้องเทียบต้องเทียงกันที่นั่งปฏิบตัติไม่อนำสิ่งนี้มาเทียบเทียงหาทางออกได้ยังไงเคยเป็นด้วยกันทั้งนั้น จิตใีกิเลสมันต้องเป็นแบบกิเลสมันไม่ได้เป็นแบบธรรมเพราะฉะนจริงๆต้องเอาธรรมเข้าไปแทรกเข้าไปบังคับขับไล่กิเลสออกเพื่อความอบขัามทนความฝาาา่าฝืนซะก่อนไอ้เบื้องต้นเอาจงมันกิเลสมันเหมาะหน่อยแต่มาเทศก็ได้ยินแต่ชื่อทําได้แต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรปัญญาก็จำได้แต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรอมันจะเปเปตไก่มันก็ยังมีชื่ อ, อ มรรคผลนีพพานจะมีชื่อได้ยังไงโรคนี่มันเป็นโลกสมมติอะไรก็ต้องตั้งชื่อตั้งนามให้หมดสมมติว่าโลกสมมติเสร็จสันพยญญนขึ้นมาอ๋อมันจริงสิมรรคผลนีพพานมัมีแต่ชื่อมรรคก็มีแต่ชื่อมรรคคืออะไรือมรรคแปดนั้นเป็นยังไงจิตาจของเราจเคยสัมผัสสัาพันธ์ตามหลักความจริงไหมแต่ไม่สัมผัสสัมพันธ์มีแต่ความจําได้แต่ชื่อสัมมาพิจิสัมมาสังกปรื่ยยังไงสัมมาสมาธิแล้วตปล่าหาเงียบไป เป็นลมเป็นแรงแต่ความจริงไม่ปรากฏที่เกิดขึ้นมาจากมักแปดนี่จนให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมานโซดาปฏิผลเป็นลาดับขึ้นไปจนอรหัตผลเกิดมาจากไหนเกิดมาจากมักแปดทาไม่ได้ทั้งผลได้ทั้งเหตุทาได้ทั้งชื่อได้ทั้งตัวเนี่ยตัวจริงอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่ตัววัวตัวควายตัวจริงความจริงแล้วอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่กับหัวใจผู้รับรู้อยู่ทุกคนสดสดร้อน ไม่สำคัญที่วิจ้ารณ์ผลิภานไปกี่ปีกี่เดือนไม่มีอะไรสําคัญผมแน่ใจที่สุดน์ร้อยเปอร์เซนผมไม่ได้สงสัยเลยเขาเฝ้ า, าวิจารณ์ตลอดเวลาวางนี้เลยดูที่ไหนก็สาบายหายห่วงทุงกอย่างไม่เคยคิดเกี่เรื่องอะไรเป็นเกาะความกังวลวุ่นวายจิตใจไม่เคยติดยุ่งกับอะไรแม้แต่ร่างกายนี้กระอู้มันอยู่โดยลําดับมันดับมันจะเป็นหนักมากขนาดไหนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พูดตางเรื่องมันเป็นเฉย เราไม่ได้มีความกระทบได้รับความกระทบกระเทือนจากสิ่งเหล่านี้เลยเพราะหตุแบบนี่ก็เพราะผลของการปฏิบัติแยกจิตออกมาให้เห็นให้เสกขาดจากมันโดยหลักธรรมชาติอติดต่อกันอยู่ไม่ได้แล้วมันจึงเป็นความรินรวนตลอดเวลาะจะตายเดี๋ยวนี้ก็ตายไปไนี้เป็นอะไรไปสมมติกันนี้เสียว่าตายเขามีแต่เรื่องธาตุสื่อดินน้ำลมไปสลายตัวจากความผสมกันเท่านั้นเองจิตถ้าบริสุทธิ์ได้จะจมจมที่ไหนอื อารมจมอย่าใครอยากไ ป, ไปนิพพานพระพุทธเจ้าก็ามาอยากไปนิพพานสาวก็อยากไปนิพพานใครไม่อยากเป็นพระอรหันต์เพราะจะไปร่วมจบ ม, มันก็เป็นเหมือนเพชฌฆาตที่ความเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานก็เหมือนสถานแตะแกรงเพชฌ่าตจ่ิงๆร่วมจมทีไ่ไหนร่มจมจะามาบริสุทธิจะามาเป็นพระมังสุขขังมันแน่ไปผู้ปฏิบัติได้ทั้งชื่อได้ทั้งตัวจริงมาที่เอาตาม นิสัยตัวเองอย่าไปาคาดไปคิดองค์ น, นั้นสมาธิเป็นอย่างนั้นอ น, นี้สมาธิเป็นอย่างนี้เราเป็นสมาธิประเภทไหนให้มันรู้ด้วยตัวเองจริงๆเราก็เป็นสมบัติของเราเกิดขึ้นมากน้อยสงบแบบไหนก็นให้ให้ทราบว่ า, าสงบนั่นแหละคือถูกต้องสง บ, บด้วยธรรมบทใดสงบด้วยวิธีการใดความมีส ต, ติและบริกรรมทำบทใดไม่มีความทั้งเผลอจ่ออยกับงานของตัวเอง จิตมันจะไปไหนมันมันพ้นไม่ได้มันจะกุ้งสัน้นถากผลจึงกองมาตัวคึกขนองก็เถอะมันพ้นสารถีคือสติปัญญามีเราเป็นเจ้าของฝึกมันอยู่ไปไม่ได้เลยมันจะต้องหมอกอยู่ไปได้พระพุทธเจ้าเคยปราบแล้วเรื่องความทุกขนองพระพุทธเจ้ากเคยมีสาวกเคยมีใครขึ้นชื่อว่ามีกิเลสมันต้องเคยมีสิ่งเหล่านี้ความที่เป็นประธานก็เพราะปราบสิ่งเหล่านี้เสร็จเรียร้อยแล้วตายราบไปหมดไม่มีใครอยู่ในเหลือลถึงได้ เป็นผู้บริสุทธิ์การปราบวิธีใดท่านก็สอนไม่แล้วอืนเป็เบื้องต้นอย่างการดาเ น, นินงานขึ้นเจราญสละมานะขาทำตาตาโจอสถานที่ดาเนิน ง, งานคืออะไรที่จะเป็นความสะดวกสบายแก่การบำเพ็ญนีแ้แกการทํางานงตัวเด่น mm hmm. บอกลูกขมูลเซนาถนังเนี่ยที่หาอยู่ตามลูกขมลลมไม้ชายป่าแต่เขาอันไหนเป็น ท, ที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายแก่การบำเพ็ญสถานที่นั้นแหลเป็นที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้ การทำความรูาพยายามตลอดชีวิตเธอดนั่นใครจะพูดได้ถูกต้องนั่นยังไม่กล่าว้ยเจ้าบอกาทั้งสถานที่ก็บอกองานก็บอกงานนี้มันแพร่กระจายไปเลือดท่านยกเป็นเอกเทศขึ้นมาในขณะที่บวชนั้นเพื่อยึดอลักไปถึงตะโจนั้นก็บอกแต่การพิจารณาันแล้วมาตะโจมันหุ้มอะไรไว้ก็เหมือนกับเชื้อไฟมันติดต่อกั ต, งตังนี้ถึงบ้านตางเลย ไฟจอดไปตรงนี้มันจะลุกลามติดจนกระทั้งถึงมันตาเอาเชื้อไฟมันติดกล่องไปดิอันนี้ก็เหมือนการมันเหมือนกับเชือช้ออ่ะเชื้อแห่งธรรมอันนี้ไม่ใช่เชื้อไฟอาการใดที่มีอยู่นี้มันเกี่ยวโยงกันหมดพอเข้าใจสิ่งหนึ่งแล้วมันจะซึมซาดด้วยไปจนกระทั่งตลอดทั่ถึงตัวคนอาการไมยว่าจะเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอะไรทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายมันจะเข้าใจหมดเพราะเป็นความจริงเสมอกันขอให้ใช้สติปัญญาให้ดีเถอด ไม่พ้นจากนี้ไปเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วสวดคาถาตัวพระพุตาสมุลากราบอย่างราบเลยโอ้โหไม่มีใครที่จะสอนกิ่งนี้ของพระพุทธเจ้าวิธีการอย่างนี้ในโลกไม่มีใครสอนกันได้เลยมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นจะไม่ดาาได้เอาไปเชื่ออาศจร้ยเลยงานเออกิเลสกิเลสก็มีใครรู้มันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าทรงทราบว่ากิเลสที่มันเป็นภยัยโลกเห็นอลกถึงอันนี้เป็นคุณทั้งนั้นรอราบก่อเป็นคุณชังก่อเป็นคุณกับตัวเอง โรคก็เป็นคุณกัตัวเองโกรธโรคเป็นคุณกัตัวเองทั้งทั้งที่ตาดำตาแดงนี่ น, flag, น, น <feed? S 2> ั <gelecek> ่นเป็นคุณ <im> ก <fabric> ัตัวเองความรุ่งหลงงมงายก็เป็นคุณกัตัวเองเฮ้ยจะจะหาทางไปไหมได้เพราะความรุ่งหลงมันมืดมิดปิดตาหาทางเดินไม่ได้ก็นังว่าเป็นคุณกัตัวเอโลกมันเห็นโทษเมื่อไหร่มีพระพุทธเจ้าเท่นั้นเป็นกู้ฉลาดแหลมคมเหนือโลกสามารถเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นเป็นภัยแล้วก็เห็นทั้งสิ่งที่เป็นคุณด้วยจึงนำมาทั้งอุบาวิธี นอกจากแสดงนะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไท ย, เ ป, ไทยเป็นไทยเป็นไทยโดยลาดับลำ ด, ดับนี่ต้องแสดงเรื่องคุณขึ้นมาวิธีการปฏิบัติได้แก่อะไรสัมมาทิฏฐิสมาสังกโตเป็นตน้นนี่มัชฌิมาปฏิบัติเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมแก่การแก้ที่เละทุกประเภทไม่นอกเหนือไปจากมัชฌิมานี้ได้ที่เละก็มีหลายประเภทอย่างยาที่สุดก็มีอย่างดื้อด้านที่สุดก็หมีต่อนักต่อสู้ที่สุดก็มีเป็นสืร้ายก็มีที่เละ ขึอยู่ในหัวใจเอ้าวเสือร้ายแล้วมัจฉมาแบบเสือราบบ้อรายเข้ากันเลยใช่ป่ะเนี่ยนั่นมันเหมาะสมกับมัจฉมาแบบเสือร้ายเสือล้ายกับเสือร้ายกับสูก้ส ก, กันเลยเราจะไปลูกคำคำเหมือนกับเอากบนี่ไปใส่ไม้ทั้งต้นมันได้เลยไม้ทั้งต้นมีอะไรบ้างมาดูที่รากแก่รากปอยมีเปลือกมีกับพี้เขาถึงแก่ยังไม่ได้ถากได้ฟันอะไรพอที่เป็นชิ้นเป็นอันควรแจกกบใส่เลยก้าวกบไปใส่เลยมันได้เลย ถ้าจะหนักมือกว่านี้กลัวมันจะขิดมัดคิมมาอามาัดคิมมาแบบกบสายไม้ทั้งต้งนลองใสยกันดูดูที่เขาจะมีหัวลอ ก, กันขั้งบ้านพระเจ้าไม่ใช่คนโง่เขามีมัดคิมาคกลือที่เรศมีกี่ประเภทน่ะสร้างบ้านนี้บ้านนี้จะต้องมีเครื่องมือขนาดไหนมากเทียงไรเครื่องมืออันนี้สมควรกับงานใดเครื่องมือนี้สมควรกับงานใดตลอดจนกระทั่งถึงลํารถหนึ่งตัวเครื่องมือของช่างเขาสร้างก่อสร้างถือดา ใหญ่แล้วลังทางเครื่องมือเป็นรถรถมันน้อยมากเครื่องมือเขาจะสร้างบ้านทั้งหลังตึกทั้งเตึดให้เป็นตึกเป็นบ้านที่สวยงามหรืมอมั่นคงนี่เราจะสร้างจิตใจของเราให้มีความสงา่างามีขึ้นมาด้วยวิธีการชำระศาสตร์สังสิ่งที่โสโครกแลบกลุมดังดคือเกล็ดมีกี่ประเภทมันด้วยด้านขนาดไหนเอามาัดชินมาตัวนั้นโอที่เก่เกงๆนั้นใส่กันเลย ดื้อเหลือมันต่อสู้ก็ต่อสู้กันอาตาก็ตายฟาดกันเลยอืขันติธรรม น, นี่เป็นเป็นเครื่องมหลงต น, นความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาธรรมเป็นสําคัญว่าจะนําไปค้นกันลไปยันหนีเวลาก่อนทุกข์เกิดขึ้นมาปัจจันบังกันแล้วเถอตัวไม่ได้เอาให้แหลกเรื่องความทุกข์เราเคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดมันยังไม่เห็นโทษของความทุกข์นี้เลยเอาปัญญาเข้าไปให้เห็นโทษ เมื่อเห็นโทษด้วยปัญญาแล้วจะผิดกันกับความเห็นโทษธรรมดามันแน่งไปดิงานที่หนึ่งงานงานที่ชอบงานเลิศงานประสุดถ้าเป็นงานใหญ่งานโตงานลึกพบลึกชาดหรือว่าต า, ากุญนจออกที่มันสังเกตุนิพนาใใ์ในจิตใจแหกออกหอกจึงต้องทุ่มเทกำลังลงไป การต้องเทกำลังลงไปต้องเป็นความทุกข์ความทุกข์เหล่านี้คุ้มค่ากับผลที่จะถึงได้รับจากการมุ่งถึงขอให้ษฐานตามาใจท่านปัญญาอธิบายให้ผมเพื่อนฟั ง, งก่อน